วันมรณะภาพหลวงปู่เทศหลวงปู่ใหญ่ของพวกเราที่วัดหินหมักเป้งแลวก็พรุ่งนี้เช้าคงจะได้ไปฉันที่อุดรห้างสปปรรพสินค้าพัฒนินำ่ำ168อะไรเนะี่ยาหลวงพ่อจำไม่ผิดนะที่อุดรพอนันจังหารเสร็จแล้วก็คงจะได้ขึ้นเครื่อง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 เขาก็ช่วยๆกันดูเพราะนั้นหลวงพ่อเองที่ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ว่าให้ธรรมะหนังสือ MP3 สสงเคราะห์ทางด้านวัตถุต่างๆตลอดถึงพระลูกหลานเขามาบวชในพระพุทธศาสนารับนักศึกษาแระนับนักเรียนหรือวรับลูกหลานเขามาบวชในพระพุทธศาสนา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 ธรรมะแจกเอ็เพราะว่าการแจก MP3 เฉพาะปีนี้ปีเดียวนะคณะสัตยาธิรมลูกหลานแจกในงานกรถินเพียงปีเดียวนะหมดไป 800,000 กว่าบาทเฉพาะ MP มสชุดเดียวนะแล้วเราแจกมาไม่รู้กี่ชุดกี่รุ่นมากมายที่เดียวที่เราแจกไปแต่การแจก MP ็สก็ดีแจกหนังสือก็ดีหลวงพ่อเองก็มั่นใจ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 พะมันไปแล้วมีแต่เกิดแก่เจ็บตายหาที่สิ้นสุดไม่ได้จากนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าตัวที่พาหมุนไปเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิน้นสุดคือตัวกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะนั้นพระองค์จึงได้มาคำนวณพิจารณากันกรองไตรตรองด้วยความเฉเลียวฉลาดของพระองค์เองด้วยบุญบา ร, รมีของพระองค์อันี้นว่าใช้ตประธรรม คือสินสมาธิปัญญาสินสมาธิปัญญานี่ยก็คือมักแปในในสินสมาธิปัญญามักแสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายนี่แหละมักข่าคือหนทางหรือวิธีแก้ไขทำให้จิตใจของพระ อ, องค์หยุดหมุนไปข้างหน้า